ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งอกตั้งใจทำใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความเพียรทางจิตใจเพื่อทำใจให้สงบ ดังนั้นจึงไม่ต้องคิดถึงเรื่องอืน่นการงานต่างๆเอาไว้ก่อนและเมื่อถึงเวลามาแล้วก็จึงค่อยทำมันเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ทำงานอย่างอืน่นโดยกายโดยวาจาเวลานี้เป็นเวลาที่ เราทำความเพียรสงบกายกายก็ น, นิ่งนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่อยู่ที่กายที่ใจ ดูอิทยาบทเวลานี้เรานั่งอยู่ไงก็ให้รู้รอบอเวลานี้นั่งสมาธิอยู่ก็ดูวาจาเวลานี้เราก็ไม่พูดอะไรสงบแล้วมีเรื่องอะไรก็ไม่พูดเอาไว้พูดในเมื่อโอกาสมาถึง ทางจิตใจเมื่อกายสงบวาจาสงบลงไปแล้วจิตนี่มันก็ไม่ยอมสงบบุคคลผู้มีสติอ่อนแอควบคุมความรู้สึกนี้ไม่ได้กิเลสมันก็ปั่นให้คิดคุ้งชั้นไปต่างๆนานานะ นื้อมากก็ไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วนั่นแหละเพราะว่าเรื่องอดีตมันทำมาแล้วนี่ทำมาแล้วพูดมาแล้วม่เด็มันยังไปยึดถือเอามาวิตกวิจารณอยู่การกระทำเช่นนั้นไม่สมควรเลยวาถ้าเป็นทางผิดก็ดีสมควรที่จะต้องทำอย่างนี้ความจริงเนาะห วิ่งตกเข้าไปอะไรก็ยิ่งคับแขนใจขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องระ ง, งับความคิดอนันันเพราะว่ามันลวงมาแล้วนี่จะไปแก้ไขยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์เพราะมันทำมาแล้วพูดมาแล้ว ดังนั้นเราต้องรู้ต้องเพ่งรู้ว่าเ ร, เรื่องอดีตที่ลงมาแล้วไม่ควรเอามาวิตกวิจารจริงๆเขาวิตกวิจารแล้วได้แต่ความทุกข์ไม่ได้ความสุขใจถ้าเราปล่อยวางเรื่องเป็นอดีตที่ลงมาแล้วก็ดีเรื่องสิ่เวลานาคยังไม่ได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึง จะต้องยกไว้ซะ ก, ก่อนว่าเอาปัจจุบันนี่เป็นหลักจิตชีวิตมันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองก็เคยพูดอยู่บ่อยๆเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความจริงจริงว่าชีวิตเนี่ยมีแต่เท่าแค่ปัจจุบันเพราะอาดีตมันก็ล่วงมาแล้วนี่เป็นยังไงก็เป็นมาหมดแล้ว อนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะไปถึงไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้อืดังนั้นเราจึงปรากฏมีความรู้สึกอยู่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะอืมชีวิตนี้นะ่ะลมหายใจนี่หยุดลงเมื่อใดแล้วก็เป็นอันว่าตายอยู่ไม่ได้ เพะนั้นเรามาเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ก็จะเห็นว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวไม่มากอะไรเลยลมหายใจเข้าออกนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยมันถึงเวลาเหตุปัจจัยของชีวิตมันหมดลงแล้วอย่างนี้ลมหายใจมันก็หยุดลงอนอะื เหมือนตะเกียงละคมไฟเมื่อน้ามันหมดลงแล้วมันมันก็ดับปุ๊บลงเท่านั้นเองเมื่อน้ามันยังอยู่มันก็มีแสงสว่างอยู่ฉันใดชีวิตของคนเรานีนะ่เมื่อบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนหากยังตามรักษาชีวิตนี้อยู่ มันก็ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มีปกติทุกอยู่บ้างบางคราวก็เป็นทุกไปบ้างก็เพราะเหตุว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเราจะให้มันเป็นทุกเลื่อยไปอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นคู่กันนะทุขเกิดขึ้นแล้วทุกก็ดับไป เมื่อสุขรับไปทุก็เกิดขึ้นมาแทนสำหรับกันไปอยู่นี่เนะี่ยชีวิตนี่นะลองพิจารณาดูให้ดีดังนั้นนะ่ะจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจริงๆปัญญานั้นต้องเกิดด้วยสมาธิมีสมาธิเป็น พื้นฐานมีสมา ธ, ธิเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าเราคิดลอยๆเอาเฉยๆเพ่งเห็นด้วยปัญญาเลยเพ็นไงเพ่งเห็นด้วยปัญญาในขณะที่จิตสงบเป็นหนึ่งอยู่นั่นนะเห็นอะไรก็เห็นจริงถ้าจิตมันสงบเป็นหนึ่งอยู่นั่นนะ ท่านถ้าเรามาเพ่งชีวิตนี้มีแค่ปัจจุบันเท่านี้แหละว่าเพ่งดูอยู่เนี่ยมันก็ไม่อยากได้อะไรเนืมความอยากมันก็ะสั้นเข้าเลยเพราะว่ามองเห็นว่าชีวิตนี้น้อยนิดเดียวเราต้องพิจารณาดูเมื่อเห็นว่าชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียว ตันหาความทะเยอะทะยานอยากต่างๆนี่มันก็เบาไปโดยลำดับเออบางคนก็อาจจะท่วงติงว่าผู้ครองเรือนนี่จะไม่ต้องให้อยากอะไรเลยไม่ต้องให้ทำการทำงานหาเหงินน้ำทองหรือทำอยู่หาอยู่แต่ว่าหากสำรวมจิตใจให้ เป็นปกติอยู่การงานน่ก็ทำอยู่นั่นแหละผู้ที่เคยทำนาก็ทำอยู่ผู้ที่เคยทำสวนก็ทำอยู่นั่นผู้ที่เคยทำการค้าการขายก็ทำไปผู้ที่เคยรับเหมาก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆก็ทำไปแต่ให้ทาความรู้เท่า เราทำนาเป็นต้นก็รู้เท่านาว่านาก็ไม่ใช่ของเราแต่เราอาศัยนาเป็นโยชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งี่จริงแล้วมันใช่ของเราตายแล้วเราก็ออกไปไม่ได้แต่ทำความรู้เท่าอย่างนี้แล้วการทำนาเป็นต้นเหล่านี้มันก็สักจะว่าทำาะลรวะนี้นะความรู้สึกนั้นนะไม่ได้ยินดียินร้ายอะไร ไอ้ผู้มีปัญญานะก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ฝึ ก, กจิตใจของตัวในเป็นไปอย่างนี้คนขาดปัญญาแล้วมิเสจะเอามันท่าเดียวเราต้องเอาให้ได้ขั้นเมื่อมันผิดหวังมาแล้วก็เอาแล้วเดือดร้อนท่นี้เขาขอไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้ แล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับร่างกายนี้ได้อย่างไรอ่ะนั่นแหละผู้ที่เอาจริงเอาจังกับร่างกายนี้มันก็จ้องได้ประสบกับความทุกข์แหละเมื่อมันผิดหวังมาดังนั้นทั้งนักบวชทั้งฆราห์ตผู้คร้องเรือนพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วนั่นเดินสายดี่โอกันเลยนักบวชนี่เฮติจะปฏิบัติ หเหตุที่จะปฏิบัติมากน้อยสันโดษชอบสังกัดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เนื่องได้ว่าได้มาพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้มีเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้ อนาคตก็ยังไม่ได้ไปถึงอดีตก็ร่วงมาแล้วพอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงทำตัวเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดได้เดืองมนะันแมักน้อยก็มักต้องการให้กิเลสตัณหามันน้อยลงไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะสันโดษหมายถึว่าได้มายัางไงโดยทางที่ชอบโดยธรรมวินยัย ก็ยินดีบริโภคใจ ส, สวยอยู่เท่านั้นจะเป็นของหยาบของละเอียดของปาณิชฐ์อะไรก็ช่างเนี่อเมื่อได้มาโดยทางที่ชอบแล้วไม่ต้องรังเกียจวัตถุทานเหล่านั้นจะหยาบก็าตามละเอียดก็ช่างแล้วก็ยินดีบริโภคใจสอยถ้ากว่ามันถูกต้องตามพระวินัยนะเป็นเสียแตนได้ สิ่งของอะไรมามันไม่ถูกต้องตามพระวินัยเช่นอย่างว่าเขาเอาผ้าของเครื่องหัดมาบังสกุลให้อย่างนี้นะแล้วก็ไปเก็บเอามาห่วงไว้เช่นนี้ไม่ถูกต้องเมื่อเขามาบังสกุลอุทิศให้แก่ผู้ตายเช่นนั้นเราก็ สักบางสกุเอามาแล้วก็ไปแจกให้คนยากคนจนต่างๆหมู่นั้นเนี่ยเขานุ่งเขาห่มไป ม, มันก็เป็นประโยชน์แก่คนยากคนจนได้อย่างนี้เนยเรียกว่ารู้เท่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้ มันก็สบายสิฮะนี่จิตใจนะเป็นกระลือหัดก็เหมือนกันนะเมื่อมีตนมีบุญวาสนาน้อยแสวงหาวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้มาแต่น้อยอย่างนี้ไม่ได้มากเหมือนเขาผู้มีบุญมากอา้าวเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามที่ได้มาเนึกถึงบุญ กุศลของตัวเองมันน้อยแต่ชาติก่อนตนได้ทำบุญกุศลมาน้อยบุญกุศลจึงตามมาตกแต่งให้อะไรอไวัยวะร่างกายอันนี้ให้แล้วก็ตกแต่งสมบัติเข้าของเงินทองภายนอกอันเป็นเครื่องอาศัยเลี้ยงชีพให้มีแต่น้อยตามกำลังบุญ พี่ผู้นั้นได้ทํามาแต่ก่อนถึงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะคนเรานี่มันจึงเหลื่อมล้าต่ําสูงกวกันในะความเป็นอยู่นะแต่พ่อเกี่ยวแก่การกระทํานี่เองไม่ใช่ว่าเป็นด้วยพระอินทร์พระพรหมด้วยไม่ไหวพระอินทร์พระพรหมพระอิสวนพนะระนลรายหรืออะไรต่ออะไรอ่ะ แล้วท่านเหล่านั้นไม่ไม่อ้อนวอนไม่ว่ววงสองเพื่อนก็ไม่มาช่วยผู้ใดเข้าใจไปอย่างนั้นเรีอก ว, ว่าเข้าใจนอกคำสอนของอุตตเจ้าไปเข้าใจตามคำสอนของรัทถิอื่นดังนั้นเราเป็นชาวพุทธแท้ๆเราไม่ควรที่จะไปถือมั่นในความเห็นของรัทถิอื่นเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกไม่ ก็ไม่สมดุลกันเลยเราประกาศตัวเป็นชาวพุทธอย่างนี้นะแต่และความนับถือไปนับถือรัฐที่อื่นนู่นอือเป็นอย่างเงี้มันจะถูกต้องที่ไหนนะอะเมื่อเราเป็นชาวพุทธจริงเราพระเทเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าความสุขความทุกข์เกิดแต่การกระทํา ไม่ใช่เกิดแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกอนนี้มันโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นเลยทรงสอนว่าผู้ดใดทํากรรมดีกรรมชั่วมามากน้อยเท่าใดในอดีตชาติหนุหลังกรรมดีกรรมชั่วนั้นมันก็มาอํานวยผลให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไปตาม กำลังของกรรมนั่นนั้นไม่มีสิ่งสักดิ์สิใดในสากลโลกจะมาให้คุณให้โทษแก่บุคคลพระองค์ไม่ไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้ น, น, นเลยอยันนั้นเราต้องรู้ไว้แต่คนส่วนมากมากกักจะเป็นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายเี็บใขรได้ป่วยลงไครโฆษณนาว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นจริงนะเขาไปวงสรวงแล้วหายโรคหายภัยเขามาโฆษนาอย่างนั้นก็เชือ่อตามกันไปไม่ทราบว่าความจริงมันเป็นแค่ไหนเออบางทีมันอาจจะไปวงสรวงจริง้งแล้วโครคภัยมันจะระ ง, งับลงไปอันนั้นมันเป็นเหตุบังเอิญต่างหากหนุโกโรคบางอย่างนะ ไม่รักษาก็หายได้มันถึงเวลามาแล้วนะอันนี้มีอยู่ในตำรายิางๆรนะิงอะโรคบางอย่างไม่รักษาไม่หายเลยโรคบางอย่างถึงจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายนั่นได้แก่โรคกมโรคเวรที่พรนั้นได้ทำความชั่วมาเต่ชาติก่อนมันติดตามมาให้ผล รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมันให้ผลไปจนหมดเขตของกรรมชั่วเหล่านั้นเมื่อไดแล้วกรรมชั่วนั้นหมดลงไปแล้วกรรมดีให้ผลสืบต่อโรคภัยต่างๆเหล่านั้นก็หายไปเองเลยไม่ต้องกินยาก็หายแต่กรรมบางอย่างมันก็ให้ผลจน หมดอายุสังขารเลยเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีกำลังมากมันไม่เปิดช่องให้บุญกุศลอํานวยผลเลยเป็นอย่างนั้นให้ผลไปจนมันหมดเขตของบาปอันนั้นแล้วมันก็หมดไปเองแล้วก็ตายเพราะตายหากว่าบุญกุศลมีผู้นั้นได้ทำมาแต่ก่อนบุญกุศลต้อกาให้ผลสืบต่อ เป็นงั้นก็จะมีความสุขไปในเบื้องหน้าอืมอันนี้เรียกว่ากรรมสกตาญานคือมีปรีายาญาณอย่างรู้ความเป็นไปแห่งชีวิตของตนเองแต่จิตไปอย่างรู้ชีวิตความเป็นไปของผู้อื่นไม่ได้หรอกคนธรรมดาสามัญ น, นี่นะ อย่าไปพยักรอนเลยขอให้ดูตัวเองนี่กันแล้วกันฮนะดูตัวเองให้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมนี้ให้ได้อย่าไปเชื่อประลัมปรลาไปตามมอดูมอเรา ต, ต่างๆนั่นนะนั่นเป็นคำพีพรามไม่เป็นทางพ้นทุกข์ถ้าหากว่าศาสนาพรามเนะี่ยมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ เพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่มีไม่บังเกิดขึ้นในโลกไม่มีผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยแต่นี่ก็พอเหตุว่าศาสนาพราหมณ์ซึ่งศาสนามีอยู่ประจำโลกอันนี้นะมันไม่เป็นทางพ้นทุกแกผู้ปฏิบัติตามดังนั้นเน่ยถึงได้มีพูด สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระบัจจกพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระอักสาภกท้ายขวับ้าง peace, เป็นสาวกผู้ใหญ่เป็นสาวกธรรมดาบ้างอะไรหมู่นี้เลยก็ขอให้พากันพิจารณาให้เข้าใจผู้ใดพิจารณาเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปนับถือลัทธิอื่น ศาสนาอื่นเลยอ้คนที่หลงไหลไปนับถือศาสนาอื่นทั้งที่ตนเป็นชาวพุทธมาแล้วเขาโฆษณาชวนเชื่อกันหลงไปตามอยนั่นล้วนแต่มันไม่ได้เห็นแจ้งในหลักของกรรมไม่เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมคือการกระทำของตัวเองนี่แหละมันไม่เห็นแจ้งว่า การกระทําของตัวเองเนี่ยมันให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีสิ่งซักผิดใดในสากลโลกจะมาบันดาลให้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วกรรมคือการกระทําของตัวเองนี่แหละมันติดสอยห้อยตามให้ผลไป ถ้าหากว่ากรรมดีคือบุญกุศลให้ผลอยู่แต่กรรมชั่วก็ได้ทำมาเมื่อกรรมดีมันให้ผลอยู่เนี่ยกรรมชั่ว ย, ยังให้ผลไม่ได้ก็ดูเหมือนว่าคนบูญนั้ น, นดีเป็นผู้มีลาภมียศดีดแเผื่อว่ากรรมดีมันหมดลงไปกรรมชั่วให้ผลแลว้ววะเนี่ยชีวิตของบูญนั้ น, นกัดเสื่อมโทรมลงไปถึงความมีบัตร ได้รับทุกทนทรมานอย่างนี้นะมีอยู่ถมไปไม่เสร็จเราก็เห็นกันอยู่นั่นเนี่ยนี่มันเกิดจากการกระทาโดยตรงดังนั้นชาวพุทธเรามันต้องรู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างนี้จึงจะเป็นชื่อว่าเป็นผู้จับต้นทางออกจากทุกข์ได้ถูกต้องเลย ถ้าบุคคลไดมาเชื่อการกระทำของตัวเองดังกล่าวมานี้แล้วตนเองไม่ต้องการความทุกข์ก็ต้องเลือกทำแต่กรรมดีกรรมชั่วไม่ทำเลยเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมก่ามุสาวาดดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝินเฮโรอีนอันนี้เป็นความชั่วที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอด ผู้ใดไม่ต้องการความทุกข์ในชีวิตทางในปัจจุบันได้เบื้องหน้าต่อไปก็ต้องเว้นจากการกระทำความชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานี้ให้ได้เป็นอย่างนั้นแล้วผู้ใดเมื่อเว้นจากความชั่วเหล่านั้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์ไปเด็ดขาดไปเลย นั่นเพียงแต่พ้นทุกข์จากอบายภูมิทั้งสี่เช่นไม่ไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้เกิดในกำเนิดสัตว์ิไรฉ า, านเนี่ยทเวีตกรรมชั่วห้าอย่างนั้นแล้วนะแต่ก็ยังต้องเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นเทวดาอินพรหมอะไรอยู่อย่างนั้นพอกิเลสมันยังไม่บอด แต่มันเป็นกิเลสส่วนดีที่ยังเหลืออยู่อ่ะกิเลสที่เป็นกุศลเพราะนั้นกิเลสส่วนที่เป็นกุศลมันจึงนำชีวิตจิตใจอันนี้เมื่อละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วไปเกิดที่สุขสบายต่อไปกฎธรรมดามันมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงทำนะทรงแสดงตามกฎธรรมดานี้ ไอคนทั้งหลายไม่รู้จักกฎธรรมดาหรือว่ารู้แล้วแต่ก็จิตไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับกฎธรรมดาเหล่านี้ฝืนเรียกว่าฝืนกฎธรรมดาโดยอ้างว่าเมื่อไม่ทำไม่ได้ไม่ทาก็ไม่ได้กินอย่างนี้ค้าขายเหล่านี้ทําไม่โกหกก็ไม่มีกําไรไม่ร่ดรวยมันก็อ้างไปอย่างนั้นแหละคน มีกิเลสตัณหาอาวิชชาหลายครอบงมจิตใจมันไม่ไม่กลัวต่อความทุกข์อันเกิดจากการกระทำความชั่วของตัวเองที่จะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ไปในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่ไม่ในคำนึงเลยคำนึงเอาแต่ความสุขในปัจจุบันตายแล้วเป็นไงก็ั่งมันเถอะ ขอให้มีความสุขามสบายความเจริญในปัจจุบันนี่พอแล้วอีกคนที่รู้อยู่แล้วทำบาปร่วงเกินพุทธบัญญัติต่างๆวันนี้นะรู้ว่าจะมีความเห็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าผู้ที่มีความเห็นว่าอันบาปนั้นมีจริงผู้ใด ทำบาปนี้ฆ่าตัดเป็นต้นดังกล่าวมานั้นจะต้องได้รั บ, รบผลเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้รับผลในปัจจุบันก็จะไปได้รับผลเป็นทุกข์ในอนาคตหลังจากละโลกนี้ไปแล้วเป็นอย่างนั้นผู้ใดมารู้อย่างนี้มาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะพยายามเมินจากบาปเหล่านี้ ให้ได้เลยไม่ไม่อ้างโน้อนอ้างนี้อะไรอา้าวทำการค้าขายอย่างนี้เราก็เอากำไรแต่พอสมมาสมควรแล้วลูกค้าเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่นะก็ทำการค้านี้ท่ า, ากว่ามีกำไรเสียเลยอย่างนี้ไม่ทราบวิจิตรทำไปทำไมอ่ะธรรมดาลูกค้าทั้งหลนมันก็ยอมรู้ แต่ถ้าเอากำไรมากเกินควรเขาก็รู้เขาก็ต่อร้องลงไปอย่างนั้นแหละอืมนั้นผู้ตั้งอยู่ในยุติธรรมแล้วอย่างนี้นะทำการค้าการขายก็ต้องเอากำไรพอสมควรพออยู่ได้เพราะลูกค้าส่วนมากเป็นแต่คนฐานะต่ำหนึ่งแล้วก็เป็นคนมีฐานะปานกลางนี่แหละเป็นส่วนมากนะ คนผู้มีฐานะสูงนั้นมีน้อยต้องพิจารณาดูให้ดีดังนั้นผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาแก่คนยากคนจนคนพอพันกลางอย่างนี้ก็มันก็เป็นอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่หรอกอดอดอิ่มอิ ม, อออ ม, อมไปอย่างนั้นน่ เราผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าก็ต้องมีเมตตากรุณาความสงสารซึ่งกันและกันพร้อมปรารถนาให้มันที่บุคคลที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันขอให้เขามีความสุขตามบุญตามกรรมทุกคนต้องตั้งใจว่ายอย่างนี้ เมื่อตั้งใจไปอย่างนี้แล้วเห็นคนอยากคนจนมาซื้อสิ่งซื้อของอย่างนี้เราก็ผ่อนผันให้เขาไปอย่นั้นแหละพรพรมีความเมตตาเขามีสถางน้อยถ้าเอากําไรกับเขามากเขาก็เดือดร้อนทีนี้เขาก็ไม่มีเงินจะซื้ อ, อเรามนุษย์เหมือนกันไม่มเมตตากันไม่เอ็นดูกัน่ะ ใครจะเมตตาเอ็นดูกันนะ่ะคิดดูให้ดีแม้จะสัตว์สิ่งที่ได้ฉานก็เหมือนกันนะก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์เราเนี่จะต้องเมตตาเอ็นดูมันมันมาเกิดร่วมโลกกับเราไม่ควรเบียดเบียนมันแต่สำหรับผู้ที่วัฒนาน้อยกิเลสหนานั้นเอายกไว้ เขาไม่มีปัญญาจะหาเลี้ยงชีพโดยทางอื่นเขาก็เลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาฆ่ากินบ้างตัวเองฆ่ากินบ้างอเป็นอย่างนั้นแหละคนที่มีบุญน้อยนะอิเลสหลายถอาก็จาเป็นและบาปก็จาเป็นต้องบาปเราไม่มีปัญญาจะหาทางอื่นนี้มีปัญญาเท่านี้ พวกที่มีบุญน้อยนั่นแหละที่มันฆ่าสัตว์แล้วขายเนื้อสัตว์ให้คนมีปัญญามีบุญวาสนาบริโภคอยู่ในโลกอันนี้นะ่ะแต่บางคนก็เห็นไปว่ามันก็ต้องได้รับบาปด้วยกันนั่นแหละทั้งผู้ฆ่าขายทั้งผู้ซื้อเอาไปกินเออมันก็ต้องรู้บาปด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ ซื้อผู้ฆ่าก็ไม่มีดังนั้นมันจึงต้องรับผลแห่งกรรมนั้นร่วมกันแต่ความจริงแลหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่าผู้ซื้อเขาไม่ได้ใช้ให้ใครฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาขายเขากินแต่ถ้าถ้าผู้ใดสั่งให้เขาฆ่าสัตว์ชนิดนั้นมาขายให้ตนเนี่ยแน่นอน มันก็ต้องรับโทษเขาเขาแล้วแต่ผู้มีปัญญามีศีลเน่ะก็ไม่เจตนาเลยไม่ต้องการในใครฆ่าสัตว์มาขายให้ตนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเดินไปตลาดเห็นเนื้อเห็นปลาที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณอาศัยอยู่แล้วก็ซื้อเอามาทำอาหารบริโภคเท่านั้นเองสัตของไม่มีจิตวิญญาณแควนี้ นั่นมันก็เหมือนมันไม่มีจิตวิญญาณแล้วมันเป็นอย่างนั้นผู้ซื้อเนื้อซื้อปลาอันที่มันมีชีวิตแล้วก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณากำหนดใจใจอย่างนี้ว่าเนื้อเหล่านี้มันไม่มีจิตวิญญาณแล้วฉันั้นเราก็ซื้อเอาไปทำเป็นอาหารบริโภค อย่างนี้ไม่มีโทษนะอะ่ขอให้เข้าใจอย่าไปเชื่อประลัมปรลาสำหรับคนบางพวกที่มีความเห็นว่าอ้าผู้ซื้อเอาไปกินก็รับส่วนบาปกับผู้ฆ่าอย่างนี้ไม่ไม่หรอกก็มันก็มีเงื่อนไขอย่างที่ว่ามาแล้ ว, ลวนั่นแหละถ้าผู้ซื้อเอาไปสั่งให้เขาฆ่ามาขายอย่างนี้มันก็รับ ส่วนบาปก็เขาแน่นอนนั้นนะถ้าไม่ได้สั่งให้เขาฆ่ามาขายให้ตนเน่เขาฆ่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็เอาเนื้อนี่มาวางขายที่ตลดดาดผู้ใดไปเห็นเขาแล้วเห็นว่าของบริสุทธิ์ล้วก็ซื้อเอามาปรุงอาหารเับประทานเท่านั้นเองนี่จึงชื่อว่าไม่มีบาปเพราะการฆ่าสัตว์นั่นมันต้องเกี่ยวกับปีตนาด้วย ถ้าไม่เจตนาแล้วไม่เป็นบาปเช่นอย่างเดินตามทางไปไม่เห็นสัตว์มันซ่อนอยู่ตามใบไม้ตามอะไรหมดนั้นแล้วก็ไปเหยียบมันมันก็ตายลงไปอย่างนี้เมื่อมันตายแล้วจึงค่อยรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเพ่งนักนึกดูเจตนาในใจของตนมีหรือไม่ไม่มีเพราะไม่เห็นถ้าเห็นมันแล้วจะไม่ขืนเหยียบมันเนี่มันจึงเปนโทษะ อันนี้ไม่เห็นจริงๆดังนั้นโทษมันจึงไม่มีอันนีเ้เราต้องชำระความรู้ความเห็นให้มันสะอาดอย่าให้มันมีความสงสัยรังเลเลยการรักษาศีลเมื่อยังมีสงสัยอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นศีลอันบริสุทธิ์ได้ไปอย่างนั้นถ้าพิจารณาจนหายสงสัยเสยเร็จแล้วอย่างนี้ มันจึงเป็นสินอันบริสุทธิ์ได้ผู้รักษาสินทั้งหลายต้องให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยอันบุคคลที่ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ไปได้มันก็คาบาบนี่เองเนี่ยพี่นาดูให้มันเห็น อาวทำบาปแล้วตายแล้วไปตกนรกไปเป็นเปรตเหร น, นี้อยู่อย่างนั้นนั่นแล้วมันจะพ้นกทุกข์ได้ยังไงล่ะจะไปสวรรค์ไปพรนิพพานได้ยังไงอ่ะนี่นะมันก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เมื่อพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้สเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่นั่นมันก็ไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลเลยทีนี้มันก็ชีวิตของคนนั้นก็นละทมอยู่ด้วยความทุกข นะ้นแสนนานเลยเขาบาปกรรมเมื่อทำมากเข้าไปแล้วมันให้ผลนั่นขาพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอายุของสัตว์นรกยังยืนกว่าอายุของเทบุทธิ์เทวดาบนสวรรค์นะเกือบเท่าตัวนล้นะอ่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะทุกคอ น, นะถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆแล้ว ได้ฟังคำสอนของวิเจ้าที่ท่านชี้เหตุที่ผลอะไรให้ฟังโดยแจมแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ควรที่จะหาทางเว้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นให้ได้เราจึงจะเอาตัวรอดจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารอันนี้ได้เพราะว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วจะเจริญสมถะอิปัสนาอย่างนี้มันก็ทำได้สะดวก อย่างนั้นเรื่องมันนะเจริญสมถะเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบมันก็ไม่มีบาปมารบกวนนันก็มีแต่บุญกุศลอยู่ในใจทำใจให้เยือกเย็นสบายเมื่อนึกถึงว่าตนมีศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะเมื่อใจสบายแล้วก็ มีสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดเอาความรู้เป็นหลักเลยเอาสติประคองความรู้นั่นไว้ไม่ให้มันคิดส่งสายไปทางอื่นเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ออกแรงให้ลำบากลำบนเท่าใดนะักเพราะไม่มีบาสมาสกัดกัน้นเมื่อเพ่งเข้าไป หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่นี่ก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้มันอยู่ได้นานเท่าที่จะนานได้อืมเมื่อสมาธิมันมีกําลังเข้าไปแล้ว มันก็ขจัดนิวรณ์ห้านั้นออกไปอืมจากจิตใจนี่ความรักก็ระงับไปความชังก็ระงับไปความง่วงเหงาห้านอนก็ระงับความฟุ่งซ่านลาคาญของขีดก็ระงับไปความสงสัยหลังเลในบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ความสงสัยในโลกนี้โลกหน้าก็ระงับไปอืม เมื่อนิวรณธรรมทั้งห้านี่ระ ง, งับไปแล้วจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้ไม่ต้องไปข่มไปขี่อะไรมันรวมลงไม่ได้ก็เพราะมันคากิเลเหล่านี้แหละผักดันไว้ขอให้เข้าใจมันยังรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้ดังนั้นผู้ภาวนาทีแรกนี่มันจึงตต่อสู้กับ นิวรทั้งห้าประการนีใ้ให้ได้เสียก่อนเอา้าจิตมันยังรวมลงเป็นหนึ่งยังไม่ได้ก็สร้างเอา้าต่อสู้กันเลยกิเลสเหล่านี้มันจะปั่นกิให้คิดไห้พุ่งไปต่างๆนานาเราไม่ไปควบคุมกันไว้จะให้มันวิตกไปในความรักความชังก็ไม่ห้ามมันไว้ เมื่อเราพยายามห้ามอยู่นั้นสเสมอไปแล้วจิตนี้มันก็หยุดลงได้อ่า ม, มันก็หยุดลงได้เพราะว่าเรามีบุญมีคุณเป็นกำลังใจอยู่จิตนี้นะถ้าไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังใจแล้วสู้กับกิเลสไม่ได้เลยดังนั้นนะภาวนาทีแรกท่านยังสอนให้นึกถึงบุญ กุศลที่ตนทำมาก่อนนึกถึงคุณพร ะ, ะรัตนกลายแก้วสามประการนี่เอามาเป็นที่พึ่งเสียก่อนนี่นะเมื่อเมื่อคุณหรือบุญนี่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้ใจหนักแน่นเลยวันนี้กล้าหารกล้าเผชิญหน้ากับกิเลสดางกล่าวมานั้นไม่หวั่นไหวอันนี้แหละ พระพุทธเจ้าเอาชนะมารมาลุกวรพระ อ, องค์ตอนปฐมยามหัวค่ํานั่นนี่ยพระองค์ก็นึกถึงบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเาณาจักินั่นเนี่ยมาเป็นกําลังใจอืจึงบันดาลให้มารและเสนามานั้นพ่ายแพ้ไปเลยที่นั้นพใจของพระ อ, องค์ก็สงบรวมลงเป็นหนึ่งละเอียดประณีต จนได้บรรลุรูปฌานตีอรูปฌานตีโดยคล่องแคล่วเลยนะี่พระองค์อาศัยฌานนั่นแหละเป็นบาตรอาศัยรูปฌานเป็นบาตรเดีวก็เจริญปัญญาวิปัสสนาต่อไปเป็นระลึกชาตหนุนหลังอนี้นะเก็ดทรงรู้รละลึกชาตหนุนหลังได้โดยลำดับไป ยนไม่มีประมาณเลยทีเดียวในขั้นที่สองทรงรู้ความเกิดความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะเป็นไปตามกรรมเหมือนกันนะทั้งตนและทั้งสัตว์โลกทั้งๆไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในสายกนโลกจะมาโดนบันดาลให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มี น, นี่นะ ในยามสุดท้ายจวนสว่างพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทสิบสองประการมีอวิชชาเป็นต้นมีความทุกขโทมนัสเป็นที่สุดโดยอนุโลมปฏิลมไปมาทรงรู้แจ้งว่าเมื่ออวิชชาดับคือความไม่รู้ดับไป ไอ้สังขารมันจะปรุงแต่งให้จิตคิดไปในทางบาปทางบุญทางแห่งความรักความชังอะไรต่างๆวันนี้ไม่ไปแล้วเนี่ยเมื่อเมื่ออวิชชาความไม่รู้ดับไปแล้วนะความรู้มันก็เกิดขึ้นมาแทนจึงประนับอวิชชาตัญหากรรมและอื่นๆได้ โดยเด็ดขาดไปเลยก็ชื่อว่าได้ตัดตุรุอนุตระสัมโมสัมมาสัมโพธิญาณในตอนจวนสว่างเดือนหกแพน่นพระจันทร์เต็มดวงสองพันขวปีนู่นเ่ยจะว่า100วร้อยขวบปียังไงเราผู้ที่มานับถือพระพุทธศาสนานี่ ก็พอเร า, าพิจารณาเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี่พระองค์ได้สั่งสมบุญบา ร, รมีมาจรึงบุญบา ร, รมีเต็มแล้วจึงได้สละราชสมบัติออกบวชถ้าบุญบา ร, รมีไม่เต็มพระ อ, องค์ก็ไม่สละราชสมบัติออกบวชเลยก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีตื้อต่อไปนเนี่ยเป็นั้นเหตุผลนะ โดยเหตุผลมีอย่างนี้แหละเมือม่อบุญบา ร, รมีเต็มแล้วพระองค์แสวงหาทางตรัสรู้ไปมาในที่สุดก็รบทางตรัสรู้ได้ในปีที่หกก็ทรงละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปท่านยังกล่าวไว้ในตำราว่า ตอนที่พระ อ, องค์เจ้าตัดสูใ้ใหม่ๆแล้วนั้นเกิดแสงสว่างทั่วโลกอันนี้เลยใครอยู่ไหนก็เห็นแสงสว่างอันนี้แล้วสัตว์ที่เคยเป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนก็เป็นมิตรกันไม่เบียดเบียนกันแต่มันก็เป็นไปได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไป ไปอย่างนั้นแล้วตอนที่บุคคลจะมาเชื่อมั่นในพระปัญญาตััสรู้ของพระ เ, เจ้าจริงๆจะไม่หันเหนไปนับถือศาสนาอื่นและที่อื่นนั่นเพราะมาพิจารณาเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเป็นหลักเป็นแก่นของวัะพุศาสศาสนาเลยพิจารณาเห็น ออพระองค์เจ้าตรัสว่าศาสตร์ควเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นความจริงอย่างนี้นะอืความพัดพลากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความได้พบกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ ทุกข์รอดยอดจริงๆก็คือความยึดมั่นในถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นทุกข์รอดยอดเลยนี่ปัญญาชนทั้งหลายมาพิจารณาแล้วก็เห็นชอบตามพระองค์เลยความทุกข์เหล่านี้มันมีเมื่อเมื่อเกิดมีขันห้านี่มาตามมามาแล้วนะไอ้ความทุกข์เหล่านี้มันก็มีมาอยู่นั่นแนหะมันหลีบไปพ้นเลย เช่นความแก่ชราทุกขลาภาภะอย่างนี้นะมันก็เป็นความจริงแล้วนะร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ว่ายั่งยืนอยู่ได้อนะแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยเบียดเบียน ร, ร่างกายโมนี้น่ะมีอยู่ท้องไปเลยแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วเมื่อร่างกายมันวิบั ต, แติแปรปยวนมันก็กระทบกระทั่งกับจิตคือความรู้สึกอันนี้นหะ จิตคือความรู้สึกนี่ก็รู้สึกว่าไม่สบายแล้วเป็นทุกข์แล้วอืมอย่างนี้นะการเมื่อรู้ว่าตนจะตายยิ่งเป็นทุกข์หลายแบบนี้นะความห่วงอ่ะห่วงลูกห่วงเมียห่วงผัวห่วงเข้าของเงินทองห่วงบ้านช่องอะไรตัวไอจิ ป, ปาถะนั่นแหละไม่อยากพัดผ้ากับของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์เป็นโศก พิไลลำพันต่างๆนานา อ, อย่างนี้แล้วดังนั้นนะก็ขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมีจริงแท้ๆนะแล้วอะไรแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตันหาเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตันหาหรือสมุทัยสมุทัยก็แปลว่าเหตุให้เกิดทุกข์เหตุทห่เกิดทุกข์คืออะไรก็คือตันหาความทยานอยากของจิตนั่นแล เมื่อจิตมันอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอยากได้แล้วไม่ได้สมองก็ยึดถือเอาไว้ก่ยิ่งเป็นทุกข์หลายอย่างนี้นะเมื่อมันยึดถือเอาไว้อย่างนี้นมันก็เป็นตัวกรรมเละเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละก็ น, นําดวงจิตนี่ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไปอีกในเมื่อบุญกรรมที่ทํามาแต่ก่อนหมดลงแล้ว ชีวิตนี่าตั้งอยู่ไม่ได้กรรมดีกรรมชั่วที่มนุษย์ทำปัจจุบันนี้มันก็นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอีกอยู่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้ารู้แจ้งก็ตั้นหานี่แหละมันก่อภพก่อชาติให้อยู่อาศัยมาโดยลำดับไม่ไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ภพกี่ชาติมาแล้ว ควรจะเบื่อจะนายได้แล้วเป็นอย่างนั้นปัญญาชนว่าพี่นายอนนี้ก็เบื่อนายจริงๆเลยเมื่อเบื่อนายด้วยอานาจแห่งปัญญาเข้าไปมันก็คลายความอยากอันนี้ไปเรื่อยๆไปนะไม่คลายให้หมดทีเดียวก็ค่อยคลายไปทีละน้อยละน้อยไปบางคนก็จะอาจอาจจะว่าอ้าเมื่อคลายความอยากเสร็จแล้วจิไม่ต้องหาไม่ต้อง ทำการงานอะไรไม่ใช่เลย อ, อันพูเป็นเครือหัดนะถ้าเป็นพระเป็นเจ้าก็ไม่ต้องบินธบาทไม่ใช่เหลอไม่ได้หมายอย่างนั้นเรื่องมันนะหายความอยากหมืยเข้ามาเราพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องให้อยากอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมอย่างนี้นะอย่าให้เกินขอบเขตแห่งสินธรรมอย่างว่า สันตุถีประมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นผู้เป็นชาวพุทธจริงๆนะก็ต้องฝึกจิตของตนให้ยินดีตามมีตามได้ตนแสวงหามาได้โดยทางชอบด้วยศีลด้วยธรรมมากน้อยเท่าใดตนก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอย่างนี้นี่เพราะผพุทธเจ้าไม่ทรงสารเป็นตัญหาเนะี่ คือว่ามันเมื่อมันเกิดมามีขันห้าอยู่นี่มาแล้วมันก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงไว้ขันห้านี่จึงเป็นอยู่ได้จึงได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลจึงมีโอกาสได้ทำความเพียรละความโลภโกรธหลงมานะทิสีอะไรให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าบุคคล รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่นี้แล้วมันก็มีแต่คุณไม่มีโทษเลยเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษไปเลยทีเดียวเลยถ้าหากว่าคุณนั้นมีวาทนาบารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วก็มาปฏิบัติทำตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้นะ ทีนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นเจริญธรรม ถ, ามถาม่ายอิรินาไปได้คล่องแฉ่ดีไม่ถูกอวิชาตันหารบกวนจิตใจมากเกินประมาณมันเป็นอย่างนั้นเหตุผลนะคอยเข้าใจไม่ใช่ว่าคลายความอยากออกแล้วเราไม่ต้องทำงานทำการอะไรไม่ต้องกินอะไรปล่อยให้มันตายไปเองมาเลยอย่างนี้นะ อันนั้นต์ียกคนขาดปัญญาที่ดูแต่ในมรรคมีองค์แปดประการนี่ะพระองค์เจ้าก็ยังจัดสัมมาอาชีโวาการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบเข้าในมรรคอันมีองค์แปดประการนั่นนะอจัดสัมมากรรมันโตคือการทําการงานชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมสัมมาวาจา กิรจาชอบไม่ผิดศีลผิดธรรมเข้าไปในองค์มรกแปดประการนั้นนะลองคิดดูว่าถ้าหากว่าผู้ใดไม่ชำลสะสาสางอาชีพนี้ให้สะอาดหมดจดไม่ชำละ ก, การงานของตนให้หมดจดจากบาปจากโทษแล้วผู้นั้นน่ะก็ย่อมได้เสวยทุกข์เป็นผลไปในสงสารนี่ หมายเขาว่างั้นพะเมื่อไม่ชําระอาชีพไม่ชําระการงานสะอาดมันก็ทำบาปเนะยเช่นชาวประมงอย่างนี้นะไปตกปลามาขายเลี้ยงชีพยอย่างนี้นะจะทำบาปทุกวนันทุกวนนะันอ่ะ ม, มันจะไม่ได้บาปอย่างไรแล้วแบบนี้นั่นแหละที่พูดนดี่หมายความว่าชี้แจงเหตุผลถูกกันฟัง ไม่ได้บังคับให้ใครละเว้นนะใครจะละก็แล้วแต่ผู้นั้นนะไม่ละก็แล้วแต่ผู้นั้นเองนะอย่างนี้แหละผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในในรกอบายภูมิแล้วอย่างนี้มันก็ต้องหาทางเว้นจากอาชีพมันเป็นบาปเป็นโทษต่างๆมุนั้นแหละแล้วหาการงานที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นไป ทำกลางงานไปแม้ว่าจะได้มากได้น้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใส้สอยอยู่เท่านั้นเนี่ยขอให้มีศีลบริสุทธิ์จะให้มีบาปติดตัวไปก็แล้วกันนี่ผู้มีปัญญาและยมพิจารณาเห็นอย่างนี้ย่อมถอนตนออกจากบาปจากโทษต่างๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นให้ได้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะ ได้ภาวนาไปพร้อมนี่แหละภาวนาทาใจสงบลงแล้วมันปัญญามันเกิดนี่ปัญญาเกิดแล้วก็มองเห็นบาปเพราะเป็นบาปจริงๆมองเห็นบาปว่าอํำโดยผลให้ให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทาจริงๆงมองเห็นบุญว่าเป็นบุญจริงจบุญคือความดีบุคคลกระทํโด้ยกายวาจาใจมันก็ยอมอํำโดยผลให เป็นสุขแก่ผู้กระทาได้จริงนี่นะนั่นแหะผู้ที่จะละ บ, บาปบําเพ็ญบุญได้ก็พาะมาฝึกผลอบรมจิตใจให้สงบระ ง, งับจากบาปอากุศลต่างๆดังกล่าวมานั้นนะให้ได้เพราะว่าบุญก็จิตตรงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาบาปก็จิตตรงนี้เป็นผู้คิดขึ้นมา แล้วจึงใช้กายทาใช้วาจาพูดถ้าจิตไม่คิดเรื่องใดขึ้นมาแล้วก็ไม่สั่งกายทำไม่สั่งวาจาพูดก็อยู่นิ่งๆไปอย่างนั้นเนี่ยลองสังเกตดูอ้าวสมมติว่านั่งอยู่ดีๆนี่นึกว่าอ้าวเราจะต้องลุกไปทำงานอันนั้นก่อนอย่างนี้นะพอจิตคิดอย่างนีนะ้มันก็ลุกขึ้นไป ทำการงานอันนั้นก็ อ, อย่างนี้แหละอันบาปกรรมก็เหมือนกัน เ, นเออเราไม่มีอะไรจะกินด้วยะจะต้องไปลงหนองจับปลาจับเหียดจับปูอะไรเท่าไรสัตว์มีชีวิตมาต้มมาแกงกินเีดอย่างนี้แล้วก็ไปไปเสวงหามางี่นะนี่ถึงว่า บาปก็จิตเป็นคิดเป็นผู้คิดเป็นผู้สร้างขึ้นมาถ้าจิตไม่คิดไม่สร้างมันเสแล้วมันไม่มีเลยนะคอยพากันพิณาดูให้ดีแม้ว่าบาปส่วนอื่นๆเกี่ยวกับนักบวชก็เหมือนกันเพราะวินัยทั้งหลายที่วิเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทําให้พูดไว้นั้นล้วนแต่พระองค์พิณาเห็นแล้วมันเป็นบาปเป็นโทษทั้งนั้นเลยพระองค์เจ้าถึงได้ห้ามอืม แล้วผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเมื่อเบื่อทุกไม่ต้องการอยากสวยทุกข์ต่อไปก็สำรวมกายวาจาใจทั้งตนไม่ร่วงพระวินัยอะไม่ร่วงธรรมไม่ร่วงวินัยต่อไปเลยอถ้าว่ากิเลสมันคึกขนองอาจะสู้มันไม่ได้จริงๆงมันจะบังคับให้ใช้กายวาจาทําชั่วพูดชั่วจริง เช่นนี้เราก็ทําความเพียรเด็ดเดี่ยวลงไปให้เหนือกำํำลังของกิเลสมานี่อดนอนพ อ, นอาหนทารลงไปให้เต็มที่เลยอย่างนี้นะเมื่อร่างกายมันก็อ่อนแอลงไปแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็อ่อนลงไปตามกันเนี่ยมันเป็นองนั้นหายังเลี้ยงร่างกายนี้ให้อิ่มหมีพีวันอ้วนท่วนสมบูรณ อยู่อย่างนี้น่ะโอ้ยกิเลสตัณหานี่ยมันมากมายจริงๆนะผู้ที่ไม่ได้ฝึกขนอบรมตนมาแต่ก่อนนะอืถือว่าแต่ยังหนุ่มยังแน่นไม่ฝึกฝนอบรมตนเลยอย่างนี้นะถ้าบวชเป็นนักบวชอยู่แต่เวลายังหนุ่มแน่นไม่รีบเร่งทําความเพียรไม่ทํากิเลสตัณหาโน้อยเบาบางลงไปอย่างนี้ เมื่ออายุมากมาอกิเลสตัณหาน่ยมันก็มากเท่าเก่าอยู่นั่นแหละมันจะไม่เบาลงไปเลยเพราะแต่ยังหนุ่มยังแน่นมัวเมาแต่เกียดคล้านเห็นแต่แก่รับแก่นอนเห็นแต่แก่คบแก่ชั้นกลัวแต่เจ็บแต่ป่วยกลัวแต่ล้มแต่ตายถ้าจะมาอดนอนผอนอาหารอย่างนั้นนะ่ะอย่างนี้แล้วกิเลสมันก็ไม่แห้งลงไปเลยคิดดูให้ดี ือเราได้มาบวชนี่ไะชื่อว่ามีบุญมากมีบุญมากพอสมควรนะถ้าบุญไม่มากไม่ได้มาบวชเลยสู้กิเลสไม่ได้รเรารู้ว่าตนมีบุญมากพอสมควรจึงได้มาบวชเมื่อบวชมาแล้วเราจะอาศัยแต่บุญเก่านั่นอยู่นี่ไม่ได้เลยบุญเก่านะั้นมันก็มีกำลัง ไม่มากพอที่จะกำจัดกิเลสออกจากจิตใจได้เหตุนั้นเราจึงต้องมาสร้างบุญกุศลใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้นะการทำทนมักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆดังกล่าวมานีนะ่อย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบุญกุศลนะเป็นบุญกุศลอย่างอย่างแรงทีเดียววะ <c oughs> เพราะเมื่อบุคคล ไม่มักน้อยสันโดษในปัจจัยเครื่องอาศัยนี่แล้วมันมากมากมากๆ า, ก า, กากล้วอย่างนี้มันก็ไปล่วงทำล่วงวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้แล้ววันนี้เช่นว่าห้ามหลอกลวงระจบปะแจงชาวบ้านเพื่อให้เขานำลาบตักระมาให้อย่างนี้นะการทำอย่างนั้นเป็นมิจฉาชีพไม่ไม่ไม่เหมาะสมแก่สรมณะเพศเลยอย่างนี้ พระภิกษุสามเณรนั้นยังไปร่วงเกินอยู่ยนี่นะอืมร่วงเกินอยู่ฉะนั้นก็นกนได้ประสบบาปแล้วบาปอากุศลแล้วอืมการบวชก็นับว่าไม่มีผลแล้วมีกันน้อยเต็มทีเลยได้สะสมบาปกรรมนั้นใส่ตนมากต่อมากนันต้องพิจนาให้ดีเมื่อเรามีบุญวัฒนาส่งมาได้มาบวชได้นี่ เอาเรามีโอกาสได้ทำความเพียนเต็มที่เพราะว่าไม่ได้ทำสวนทำนาค้าขายไม่ได้ทำราชะการงานเมืองอะไรเลยมีชีวิตเป็นอยู่กับญาติโยมชาวบ้านเขาก็ยินดีอุปธรรมบำรงด้วยปัจจัยสี่ถ้าหากว่าพระภิกษุสามเณรทร้างอกตั้งใจปฏิบัติตามธรรมวินยัยมักน้อยสันโดษชอบส ง, งัด ปลาลบความเพียรอยู่เสมออย่างนี้นะอืมชาวบ้านเห็นเขาเขาก็ยินดีเขาก็เลื่อมใสนับถือมีอะไรเขาก็อยากเอามาให้โขคให้ฉันออ ม, มันเป็นอย่างนั้นธรรมเนียมอันผู้เป็นทายกทายิกาเมื่อได้ได้เห็นพระภิกษุสามเรนรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ผู้มีบุญวาสนาเหมือนกันแหละทายกใยิกาก็ดีเหตุนัน้นถึงเลื่อมใส ในสมรมะผูกผุดชอบด้วยธรรมด้วยวินัยยอมสละจตะุปใจหามาได้แสนยากลำบากออกมาบำลุงโดยไม่เสียดายเลยหมูนี่น ะ, ะดังนั้นเนี่ยได้ยินได้ฟังอุบายธรรมวินัยดังกล่าวมานี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเอาไปพินิชพิจารณาเมื่อเห็นว่าเป็นหนทางค้นทุกข์ได้จริงอย่างนี้แล้วก็ ชงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด้วยความไม่ระมัดก็จะได้ประสบความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมา